ก็ปน ม, มือให้เหนื่อยปน ม, มือกะต้องวนก็ปน ม, มือทำไมใจเคารพล่อตกบเพราะการฟังธรรมก็เคยกรเตือนมาเพราะต้องควรคือการฟังธรรมไม่ต้องอยุ่งคิดิดเรื่องอื่นหน้สอยทิ้งไปหมดเรื่องอดีตอนาคตกำหนดจิดให้เป็นปัจจุบัน นี่คือการตังธรรมที่จะได้รับผลประโยชน์คิดเรื่องนอกแล้วก็จิตใจไม่ป่อยสงบมันก็จะสบายเรื่องอื่นไม่ต้องติดตามถือว่าระยะ <c oughs> เวลาฟังธรรมเป็นเวลาว่างว่างทา้งการงานทางกายว่างทั้งการงานทง า, า, ง, ท ง, า, ง, านทงใจก็ไปคิดติดตามเรื่องอะไร มีสคือการฟังธรรมที่จะได้ผลประโยชน์อาการสดับรับฟังความจริงธรรมนั้นมีอยู่ทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะเวลาหากเรามีสติปัญญาที่นี่ีจะรณาเรื่องของธรรมมันมีเวลาใดธรรมจะมาแสดงธรรมะกระถึอเอกไปจำอยู่ทุกท่านทุกคน เกิดแก่เจ็บตายสุนธนมาตมาแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแสดงเหลืองอันนี้จังทุกสังกัณตาอยู่ทุกระยะทุกเวลาตาไมไหมีลังอย่างยืนาตามไหมตั้งมั่นตาไหมเป็นไปตามใจชอบของตัวมันแสดงอ ย, อย่างนั้นแต่เราท่านในที่นี้พี่เจนาะเป็นธรรมะก็เลยว่าไม่ได้ฟังธรรมะหลวงพระท่าน เทถึงว่าเดีฟังธรรมะตามจริงธรรมะมันอยู่ในตัวของพวกเราท่านหรืออยู่ที่อื่นท่านเรียกว่ารูปประธรรมนา ม, มรธรรมรูปของเรานี่ <c oughs> เป็นรูปประธรรมอต่ทีนี้ที่เจริญนาทางอัตธรรมแล้วจิตใจจะปล่อยวางละถอนความโกรธโลมหลงต่างๆจะหมดไปอเราพิจรารณา เราก็ไปที่จเจรนาส่งกระแสจิตคิดนึกไปเรื่องอื่นพ็เรยไมมีธรรมต่อเมื่อพระแสดงให้ฟังซึ่งไปลว่ า, ามีธรรมให้ฟังธรรมแต่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมก็ห่างไ ป, ไปไปจากตัวมากไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสงบสงัดทุกการทุกเวลาได้ แต่นั้นการสรดับรับฟังจากครูอาจารย์นั้นก็เป็นอีกอย่างถือเป็นอัติเลขคือเป็นการเป็นเวลาส่วนธรรมะที่อยู่กับตัวเราต้องฟังอยู่ทุกระยะทุกเวลาคือมีสติรักษามีปัญญาคนคิดวนจิตใจสงบ เป็นหนึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นแหละถึงจะคิดอะไรไม่ได้ก็จิตใจลงรวมพื้นที่สหอาถอนจากนั้นมากว่าต้องพิจรารณาให้เกิดอุบายปัญญารู้เห็นเรื่องต่างๆตามเป็นจริงละทิ่งปล่อยวางมีทางปฏิบัติเพื่อจะหาความสุขในตัวของตัว มาอย่างนั้นการปฏิบัติก็ห่างไกลในสาว่ารําอยู่ที่ใด <c oughs> แต่อาตามตำหลับตำลาก็เป็นตำลาของธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะไปศึกษาเรื่องอื่นก็เหมือนกันตัวธรรมะจริงจังคือตัวของพวกเราท่านผูกกับพืชปฏิบัติธรรมผู้นั้นแหละเป็นตัวธรรมะ ธรรมะ่พระพุทธเจ้ารู้ครูอาจารย์นักปฏิบัติเห็นคือธรรมะภายในธรรมะอยู่ในกายในใจของตัวธรรมะนี้หากคูใดประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นเป็นธรรมะจริงไม่ปลอมเป็นสาระประโยชน์แก่ตัวของท่านและคนอื่นที่ได้รู้เห็นก็เป็นมงคลเรียกว่าสมนานานัณจะทัตตนัง คือเห็นสมณนะผู้สงบระ ง, งับดับบาปทางใจปกติใจเป็นผู้ที่สร้างบาปกรรมมากกว่ากายใ จ, ใจไม่ไข่คิดเรื่องกายที่จะไปทำวาจาจะไปพูดไม่ค่อยมีใจต้องไข่คิดเสียก่อนถึงค่อยบ่งบอกออกมาทางวาจาทางกายภายนอกเหมือนใจ เป็นธรรมใจรู้ธรรมใจเห็นธรรมใจไม่ได้สร้างบาสร้างแต่กรรมอันดีมีเนตตากรุณามีสติปัญญาในตัวนั่นคือใจมีธรรมเมื่อใจมีธรรมไปสถานที่ใดก็ไม่ต้องหอบหิวหาบหามคําทีไปด้วยเพราะธรรมอยู่ในตัวของตัว การทำชั่วทำเสียต่างๆมันก็ฟงคิดขึ้นมาจากจิตจากใจเช่ก่อนการทำดีก็เหมือนกันดัง <c oughs> นั้นก่อนอันนี้จึงเป็นเรื่องเรียกป้กอนของธรรมไม่ใช่ก่อนอนอื่นที่เจ้านาก่อนอันนี้ก่อนของกายหยาบคายเท่าไรใจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่จิตหล่องในโลกต่อไป อุบายที่จะสอนใจให้ใครคิดที่พิจารณารมหาความสุขจากตัวเอง <c oughs> ไม่อย่างนั้นก็จะได้แต่ตำราของธรรมที่จำมาเป็นสัญญาภายนอกไม่สามารถที่จะแก้ปิเลตตัญหามานิชกิภายในใจให้ตกออกได้ <c oughs> พอตำราไหนว่าตำราอาหารไหนว่าตำรายา ไม่สามารถที่จะแก้ไขโรคไัในกายเหยียดหายไปได้ไม่สามารถที่จะยังความอิ่มหนสํำราให้เกิดขึ้นได้มีเรื่องําราเป็นอย่างนั้นหาตัวยาจริงจังหรืออาหารจริงจังเราทานลงไปสามารถที่จะขับไล่โรคภัยต่างๆให้หายไปได้สามารถที่จะกำจัดความหิว ของกายให้หมดไปนี่ตัวอาหารตัวยายจริงจังเป็นอย่างนั้นธรรมภายในจริงจังที่พวกเราท่านแสวงหา <c oughs> กว่าทํานองเดียวกันให้ตั้งหน้ากำหนดที่นิจเจรนาความสุกความสบายความเ ย, ย็นเย็นของกายของใจเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นเนื่องจากเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าม่อย่างนั้น ก็จะงมเงาเห็นแต่ตำราของทำไม่เห็นตัวทำจริงทำจริงมันอยู่ในตัว ใ, ใสจคิดทีนี้พิจารณากำหนดรักษายายใจว อ, อกแวกหรือเปลี่ยนภาพไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆทุกคนกำหนดทีนี้พิจารณาอย่างนั้น ใจของพวกเราท่านที่เคยดื้อดึงบอกไม่นอนสอนไม่ได้เดยไยังมีสติระวังรักษาไม่มีปัญญาสอนตัวเมื่อเรามีสติมีปัญญาก็ได้ชื่อว่าสันเลขาธรรมเป็นเส่วงกำจัดเรื่องความโลภโกรธหลงต่างๆให้ตกออกไปจากใจเมื่อใจไม่มีโรคใคยซื้อจีเตัญหาเบียดเบียน ใจมันก็สบายเหมือนกันกับกายของเราไม่เกิดโรคภขยไข้เจ็บอะไรเราจะไปจะอยู่จะนัง่งจะนอนมันก็สะดวกสบายหากมีโรคภขยไข้ไขเจ็บไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในเอาไ ว, ว้ว่าร่างกายของเราจะเป็นเท้าเป็นมือหรือเป็นส่วนกลางในตัวกอต่งโรคไัยนั้นนั้นสามารถที่จะทำให้ เราไม่ได้รับความสุขความสบายอยงยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ไม่เป็นสุขกโกรกไครเบียดเบียนบานรอ น, อนพรลี้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะภายใน <c oughs> เรื่องของใจก็เหมือนกันที่พวกเราไม่ได้รับความสุขความสบายคิดปรุงปรุงไปในเรื่องต่างๆขอเชาะ ใจมีโรคภัยคือโรคโกรธหลงภายในใจใจจึงคิดติดคข้องในสิ่งต่างๆยึดถือว่าเราของเราทั้งๆ ท, ที่เขาเหล่านั้นไม่ทราบว่าเราไปชอบเขาไปยินดีกับเขาหรือเราไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างไรเขาอยู่ตามเรื่องของเขาผั่วฝ่ายสิงต่างๆมีนาชี เป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นไม่เคยหลงลืมก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเก่นหลางกายเกิดขึ้นมาหน้าที่ของมันจะเติบโตก่อเติบโตไปแตยบวนไปตามหน้าที่ของมันวันสุดท้ายก่อแตกสลายนี่เรื่องของหลางกายถึงใครจะชอบจะรักขนาดไหนมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครไม่ชอบเกลียดชังมันก่อทานองนั้น มันคงขี่อยู่อย่างนั้นไม่เคยหลงลืมเราจะดื่มจะกินอาหารดีอ ร, อร่อยขนาดไหนมันก็เป็นไป ต, ตามหน้าขี่ของมันเราจะพักผ่อนหลับนอนให้มันก็ไม่หลับไม่นอนตามเรื่องของเรามันจะต้องแก่ต้องเท่าต้องแปลต้องปวนไปตามสภาพของมันเรื่องของถาดขันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการแกร้ปวนและแตกสลาย ถ้า <c oughs> เรารเราขอใจไปจากชาัดเจณฑอย่างนั้นการยึดถือถาดขันที่มันแปรปวนตามสภาพของมันมันก็ไม่มีในจิตในใจถาดขันเป็นอย่างไรก็รู้ก็ข่อใจอย่างนั้นแล้วใจไม่ถือว่าถาดขันเป็นตัวตัวไม่มีอยู่ในถาดขันถาดขันไม่มีอยู่ในตัวขั <c oughs> นจึงว่าพระโสดาบันผู้ที่อยากจะเป็นพระ ให้พิเจรนาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้วาละสักกายและสิทธิวิจิจฉชาสิละพระกะปามานได้ธรรมดาพระโสดาไม่ได้ยึดว่ากายนี่เป็นตัวไม่ได้ถือว่าตัวเป็นกายไม่ได้ถือว่ากายมีในตัวไม่ได้ถือว่าตัวเป็นมีอยู่ในกายนี่หมายถึงว่าพินิจพิเจรนา รอบรู้เข้าใจเห็นจริงเรื่องของกายแล้วผู้ไปเห็นกายเป็นอย่างไรพอเข้าใจประจกักษ์ชัดเจนอีกจิตละไม่ ย, ยึดมั่นคือมั่นเรื่องของถาดของขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทําทนองเดียวกันพิจรารณาเข้าใจทีท้วนประจกักษ์ชัดเจนอย่างนั้นผู้ที่รู้เห็นเป็นอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นพระ ถ้าภายในถ้าไม่ได้มีอุปชาอาจารย์ไม่ได้มีการบวชบริคานแปะหรือบวชในโบทบวชในจิตในใจของตัวเองรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์จิตใจของผู้ที่รู้เห็นเป็นพระเป็นความประเสริฐเพราะรู้เห็นเด่นชัดแล้วมันจะยึดมั่นถือมั่นในถาดในขัน หลักทำรรเป็นใหญ่ไม่ได้ถือว่าเราเรียนมามากอายุแก่คนที่เรียนน้อยกว่าเราคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเข้ามาพูดอะไรเราไม่เชื่อฟังเรื่องราวนั้นนั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น ไ, ได้ถือมานะทิฏฐิอย่างนั้นเพราะใจของท่านที่เป็นอาจเป็นธรรมเป็นพระถือเหตุถือผลไม่ว่าคนใด จะเป็นข้าราชการจะยมก่อสักจะเป็นบาทเป็นบอมาก่อตามหากเขาพูดถูกยอมรับฟังยอมเชื่อถือถ้าเขาพูดผิดจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นพระเป็นเนนก่อตามก็ไม่เชื่อถือเพราะไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องผิดผิดของพระโซดาเป็นธรรมอย่างนั้นรับฟังได้ ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายหากจิตเป็นอย่างนั้นมันจะเบาจะสบายขนาดไหนเราเคยเห็นไหมเกิดมาเนื่องด้วยเราไม่เคยเห็นนั่นเองจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่เต็มใจอยากรู้อยากเห็นถ้าเรารู้เห็นว่าความลาความถอนความต่อยความวางความรู้แจง้งในเรื่องของธาตุของขันจริงจังอย่างนั้นมีความสุขแล้วทุกท่าน จะตั้งมัน่นอยากประิปฏิบัติจากละอยากถอนความยึดถือต่างๆให้ตกให้หมดออกไปใจจะได้เป็นอิสระมีความสุขอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นพระที่ประเสริฐสุสปฏิปันโนปฏิบัติต้องปฏิบัติดีต่อยินทําคคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ชั่วไม่เสียทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพรรคพวกเื่อนฟูง ไปสถานที่ใดมีความดีติดกายติตใจไปทุกสถานที่ทุกแห่งหนทุกตําบลหมู่บ้านนี่คือผู้ที่มีอัดทำผูกกับพืชปฏิบัติคำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีจริงๆแล้วไปสถานที่ใดไม่มีเสียอุตสูปฏิตปโนตรงต่ อ, ตอทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่วกวนติดข้อง ในสิ่งต่างๆที่ท่านบอกท่านสอนว่าไม่ใช่ทางหรือเป็นทางผิดไม่คิดไม่ปรุงไม่ติดไม่คล้คองยาย ะ, ยะปฏิบัติเพื่อเป็นทำเพื่อปฏิบัติออกจากทุกจริงจังนั่นเองปฏิบัติเล่นนิพพานที่ท่านกล่าวเอาไว้สามีจิปฏิบัติชอบยิ่ง พระพุทธเจ้าสาวกอรหันท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างไรผู้ปฏิบัติใจของท่านถึงที่สุดริมุดเหมือนกันก็ไม่มีทางสงสัยบอกพระพุทธเจ้ามีพระไทยบริสุทธิ์อย่างไรสาวกอรหันเป็นอย่างไรเข้าใจในตัวเองชอบจริงจริงจังจงไม่มีทางขวทางเสียหายสงสัยอะไรหมดในการปฏิบัติของตน นี่แหะพระี่พระพุทธเจ้าถือ ว, าาวา่าสาวกสังโฆคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่ได้ถือจะเป็นเพศใดไม่ได้ถือเป็นนักบวชกดเพียงบวชแต่กายมันบวชง่ายไม่อยากลําบากอะไรใครจะบวชก็ได้แต่บวชจิตบวชใจจริงจังทำจิตทําใจให้เป็นท่าจริงจัง หายากลำบากไม่ใช่งา่ายกว่าจะทำได้แต่และท่านแต่และองค์มันแสนยากได้แล้วมีคุณค่าสารประโยชน์มากสามารถที่จะข้ามจากที่เหลียตันหาข้ามจากโอคาสงสารตัดภพชาติต่างๆให้ขาดออกไปจากจิตจากใจของท่านที่เคยลุ่มหลงก <c oughs> ังวลจิตข้องในวัตถุเข่าของจิตข้องใน อะไรต่างๆหมดไปได้เชื่อใจบริสุทธิ์ถึงมีมดหมดงสงสัยผู้ทีประพฤติได้อย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นหน้าอัศจรรย์เป็นพระหน้าตราบหน้าไหว้หน้าสักการะบูชาใครได้ทําบุญฉุนทานกราบไหว้หรือเหลื่อมใสคนนั้นจะมีสุขคติเป็นที่ไปอย่างต่ำเพราะเหตุใดเพราะ ท่านเป็นอาจเป็นธรรมเป็นสมณะแท้ไม่มีบาสมาก่อเกี่ยวในกิจในใจของท่านท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มุตนนิพพานจริงจังจึงเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้เห็นพวกเราทุกคนอยากจะเป็นจะเห็นจะรู้ก่อฟึงศึกษา ทีนี้พิจรารณากายใจของตัวเพราก่อนธรรมะอยู่นี้อย่าไปคิดปรุงเรื่องอันอื่นคนอื่นท่านดีเป็นเรื่องของท่านคนอื่นเขาชั่วเป็นเรื่องของเขาเรามาเดไปชั่วตามเขามาดี ด, ดตามท่านเพิ่งพิจรารณาตัวของตัวเองศึกษาในตัวของตัวเองอย่างไรเราถึงจะดีวิเศษอย่างท่านจิตใจเยวนนี้คิดปรงุงติดข้องกับเรื่องอะไรเป็นทางธรรมะหรือไม่ เมื่อเป็นไปเัื่อสมุทยัยคือเรื่องแก่ก่อทุกนำทุกมาให้แก่กายแก่ใจคลองตัวให้วินิจฉัย ใ, ให้ใครคิดพิจารณาใจคลองตัวอยู่สม่ำเสมอผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาอย่างนั้นจิตที่ไม่เคยสงบก็จะสงบจิตที่ไม่เคยมีปัญญาก็าจะเกิดปัญญาขึ้นเหมื่อมีสติมีปัญญา มีวิชาลิมิตแล้วก่อเป็นมหาสมบัติไม่มีการเสื่อมการเสียการแตกการสลายไม่กลัวว่าไปสถานที่นั้นจิตใจจะยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนั้นไปสถานที่นี้จะมีความยุ่งความกังวลอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่มีเขาทำบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเข้าใจอย่างเด่นชัดในตัว ของผู้ปฏิบัติเองดังนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านอยากจะเป็นพระให้ศึกษาให้หมั่นพีนิจพิเจนะให้ละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามบ่าไม่ใส่ตัวใส่ตนใส่คนใส่สัตว์ให้ที่นิจพิเจนะจนจิตของตัวยอมจำนนรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหา สงสัยไม่มีอะไรที่จะถกเถียงท่านผู้รู้เพราะจิตใจของเราเองรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นท่านพูดอะไรก็เข้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีทางสงสัยการปฏิบัติกายใจเป็นของสำคัญผู้ที่ปฏิบัติได้จึงมีอา น, นิสงส์มากเพราะทำรักษาผู้ประพฤติทำไม่ตกไปในที่ชั่ว สถานที่ได้ชั่วสถานที่ได้เสียจิตใจจะไม่ใคร่คิดติดข้ทอทำรักษาผู้ประพฤติทำทุกการทุกเวลาและทาที่บุคคลประพฤติปฏิบัติ ด, ดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นอย่างไรก็เห็นอีกใจไหนมีทุกข์ใจมีความสุขใจมีความสบายจะ ต, ตายหรือจะอยู่คุณค่าเท่ากัน มันมีอะไรจะอจจะจัศจรรย์แต่เราเสียหายเพราะในที่เจรนาตามเรื่องของทำอย่างไปจากชาัดเจนเรื่องคนกลัวตายก็ไปทราบว่าอะไรมันตายถ้ามันตายจริงจังแไหนคนถึงเกิดอยู่ทั่วโลกจนแน่นโลกมันไม่มีอะไรตายแต่สมมติเท่านั้นที่มันตายไปถัดดินมันก็ไปเป็นดินน้ำ ก็ไปเป็นน้ําลมไฟมันก็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของมันไม่มีอะไรที่มันจะเสียหายตายไปถาดอันใดก็ไปสู่ถา้าดอันนั้นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็จะต้องไปตามผลของกรรมวกวนหุ่นวายไปตามเรื่องจิตชั่วจิตเสียก็ไปเกิดสถานที่ชั่วที่เสียเห็นต้วนว่า นรกเปรตอสุรกายสัตว์ปิรษานี่คือจิตชั่วจิตเสียเดือดร้อนวุ่นวายแอบเขาอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ต้องไปหาดูที่อื่นดูที่จิตที่ใจของตัวไฟนรกมันเผาไหมหากเรามีนามอมะตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าปราบไฟนรกดับไฟนรกเราก็อยู่สบายไม่มีอะไร ไฟก็มีมีชิดมีภัยเพราะไฟมันดับจากหัวใจพองตัวเปรตที่จะไปคิดอิจฉาเบียดเบียนหลอกลอนคนอื่นใจของเราเคยคิดไหมคิดไปในเ น, นี่นั้นมุมนั้นถ้าใจของพวกเราท่านคิดในขณะเวลาที่จะลมหายตายไปมันก็ไปเป็นเปรตตัวและกายกายที่ ไม่สวยไม่งามนี่แต่ร่างกระดูความสวยงามอะไรไม่มีในกายของพวกเรานั้นมันก็เป็นไปจากจิตจากใจของพวกเราท่านใจของเราไม่งามมีแต่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิห่มรุมอยู่ไม่มีอะไรดีวิเศษได้เมื <c oughs> ่อตายมันก็ไปเกิด <c oughs> ตามทตินิมิต วางจิตของใจตัวเองสัตว์เกิดมาไม่เคยให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่เคยเขารบกะบายพระเจ้าพระสงฆ์อะไรไม่เคยเหลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็หาอยู่หากิ่งเผื่อเพลินไปตามกิเลสตัณหาตามเหลื่องของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่คิดแต่แก้ไขทําจิตทําใจของตัวให้ดีให้เด่น คนแบบนั้นมันก็คนสัตว์อยู่ดีๆปกติเป็นมนุษย์แต่อัตภาพร่างกายเท่านั้นจิตใจของเขาเป็นสัตว์อยู่แล้วตายมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ฝูกปฏิบัติอัตธรรมมีคุนะธรรมเป็นมนุษย์ก่อนเลยมาเกิดเป็นมนุษย์มีเทวธรรมที่จจไปเกิดเป็นเทพพระบูทเท พ, พธิดาก็เกิดได้ตัวของพวกเราทั้งหลายจึงเป็นสถานหาดฟาง ควรที่จะปฏิบัติให้ได้ให้ถึงทางมรรคทางผลเราอยากจะไปสถานที่ใดไปได้เราอยู่สูงต่าจะไปต่ําก็ได้จะขึ้นไปสูงก็ได้หรืออยากจะอยู่ที่เดิมก็ได้มหาสมบัติที่เราเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างสมบัติอัน ดีเด่นประ เ, รเสริฐิเศษได้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะปฏิบัติตัวให้บริสุทธิ์ก็ได้อยากจะไปเกิดเป็นเทพภระบุเท พ, พธิดากัพากาันสะสมสร้างธรรมะเทวธรรมเอาไว้ใจก็จะเป็นไปทํานองนั้นเหมือนลจะจากธาตุขันก็จะไปเกิดตามภพชาติที่ตนต้องการ มนุษย์เป็นทรามกลางอยากจะไปสถานที่ใดไปได้ตามตามปารธนาของตนแต่จะไปได้ไม่ใช่ปารธนาเอาเท่านั้นต้องกระทำบำเพ็ญมีมูลเหตุสิจะเป็นไปจึงไปได้ไในเช่อว่าเรานั่งอยู่ยืนอยู่จะเียกฝังขังนน้นมาหาเรา ไม่ต้องขมไปสั่งทางนั้นกว่ามาหาเองเป็นไปไม่ได้ทางาศางสนาข่้นสอนมีเหตุมีผลมีสอนซุมสีุ่มห้าพวกเรานักศึกษ า, เ, า, า, า, า, า, า, า, าเรื่องของศาสนาต่างหน้าต่างตาเดินทางมาฝึอกอบรมก่าหมันที่นี่ที่จริญนานามธรรมสี่แนีสอนไตปตระเ พ, พื่อปฏิบัติ มีความสุขตามเจริญการไหนที่บายธรรมะหรืว่าก็สมควรเสียเวลาเอาละ